เมื่อเป็นผลคือกายวิญญาณเนี่ยปกติถ้าผู้ใดมีฉันทะราคาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็สแสวงหาปกตินะสแสวงหาอะไรกันสแสวงหาสุขเวทนาเนนะโดยเฉพาะทาวารกายนะทำยังไงมันจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยมันจะดีนะมันตัวโพธภานี้ปกติแบ่งออกเป็นสาใช่ปัทวีโพธพารมเตโชโพธพารมวาโยโพธพาลม ทำยังไงที่มันไม่แข็งเกินไปแล้วมันก็ไม่เละซะอีกให้มันพอดิบพอดีอ่ะนะก็สแสวงหาโพธิภพลมชนิดนั้นใช่ไหมข้าวต้องการแข็งเกินไปไหมข้าวข้าวตากนี่ไม่เอานะไอเ้เละๆเลยก็เหมือนกับข้าวแฉะนะมันก็ไม่ใช่ข้าวต้มอีกนั่นแหละมันข้าวแฉะเราก็ไม่เอาอีกต้องเอาพอดีหน่อยเนี่ยนะผิวผิวร่างกายของเราก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาท่เละเลยนะจับไปแล้วก็บุ๋มเละไปหมดก็ไม่เอาอีกนั่นละ แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันอ่อนแข็งซะจนแข็งกระด้างเองแล้วก็เอาต้องการพอดีพอดีใช่ไหม <S <S คือถ้าปัทวีพอดีเท่าไหร่ผลออกมาคือสุขเวทนาถ้าเตโชพอดีนะผลออกมาก็คือสุขเวทนาแต่ถ้าเตโชไม่พอดีอ่ะเย็นเกินไปเนี่ยในร่างกายของเราลดไปสักสิบองศาเป็นไงเกิดหมายไหมไหมเกิดหมายยังคุณหมอร่างกายลดไปสิบองศา ลดสักสองสามองศาก็เกือบเกิดใหม่แล้วฮนะนั่นเอเพิ่มขึ้นสักห้าองศาเนี่ยนะน ก, ก็จะเกิดใหม่อีกแล้วนะจริงเราก็หกพยายามที่จะรักษาอุณหภูมิในร่างกายคือเตโชาธาบนี้เอาไว้มันจะมาจากด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตามช่วยได้เพราะอาหารก็เอาจะช่วยได้เพราะอะไรนะเครื่องอบก็เอาเนี่ยนะเพื่อที่จะให้เตโชโพธภารมส่วนวายโย ก็ออกกําลังกายการขยับเยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายการเดินเป็นต้นเนี่ยนะที่วายโยก็คือออกมาในรูปแบบอิริยาบถแล้วก็การขยับตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อต้องการให้วายโยผดผารม์นี่มันมันดีอยู่เพราะฉะนั้นเราแสวงหาโผดผารมเนี่ยมากะฉะนั้นทั้งกายทั้งโผดผารมเนี่ยควรทําปริญญาถ้าทําปริญญาในกายโผดผารม์ om, เท่ากับทําปริญญาใน กายวิญญาณถ้าทําปริญญาในกายวิญญาณภาษาเวทนาก็เท่ากับรู้แล้วเพราะะนั้นกล่าวกายกับโพธะะเทภา่ากับกล่าวขันห้าเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะกายกับโพธะะเป็นรูปขันเลยกายวิญญาณเป็นวิญญาณขันภาษะเป็นสังขารขันภาษะอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยทั้งสัญญาเป็นปัจจัยทั้งสังขารเป็นปัจจัยทั้งเวทนา ภาษานะเป็นตจัยทั้งเวทนาเป็นตจัยทั้งสัญญาสังขารนนก็วิญญาณก็กล่าวและเพราะันก็เท่ากับทำปริญญาขันห้าในทวารกายคือถ้าเรียกตามอายตนะเรียกว่าทวารกายอายตนะคือกายถ้าเรียกตามขันก็คือขณะที่อายตนะมันประชุมการเกิดการรับรู้ที่นั่นคือการประชุมของขันห้าก็เท่ากับกล่าวถึงความเป็นอายตนะถ้ากล่าวอายตนะนะพวก น, นี้ก็เท่ากับกล่าวถึงธาตุแล้ว กายธาตุโพธภัธาตุกายวิญญาณธาตุที่เหลือก็เป็นธรรมธาตุเนี่ยนะนีผลของการทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะผลต้องออกมาตรงกันข้ามกับอันนี้จึงจะเรียกว่าผู้ทำปริญญาเนี่ยนะเช่นพิจารณากายเนี่ยถ้าพิจารณาโดยท่วนทีก็ต้องละความละสุภาพวิปลาส ถ้าพิจารณาเวทนาจนท่วนถีจริงๆก็ละสุขาวิปลาสได้ถ้าพิจารณากายวิญญาณอย่างดีเยี่ยมก็ละนิจจวิปลาสได้ถ้าพิจารณาธรรมะที่เหลือทั้งหมดก็ละอัตตาวิปลาสได้แต่การที่จะละอัตตาวิปลาสได้ต้องบอกว่าเบื่อหน่ายและคลายกำหนับในในสิ่งเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะในทวารเหล่านี้เป็นเป็นสังคต า, าธาตใช่ไหม เป็นสังคตาธาตุเมื่อเป็นสังคตาธาตุเนี่ยต้องคน้นค้นสิ่งเหล่านี้ให้เห็นอาสังคตาธาตุถ้าค้นจนเห็นอาสังคตาธาตุจึงจะเรียกว่าละวิปลาสเด็ดขาดถ้าไม่เห็นอาสังคตาธาตุไม่เด็ดแต่ว่าไปค้นเนี่ยไปหาที่อื่นไม่เจอต้องหาที่นี่แหละหาที่กายที่โพธภาพกายญาวิญ ญ, ญาณภาษาเวทนานี่แหละ ต้องค้นจนเจออาสังคตาธาตุเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเราเอ า, เรารู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะมีก้อนก้อนกลิ่นอยู่ก้อนหนึ่งก้อนที่มีกลิ่นเนี่ยนะแล้วก็กลิ่นมันไม่หอมไม่ต้องบอกว่ามันเหม็นไงท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าที่จะค้นให้เห็นอาสังคตาธาตุในกายเนี่ย อ, อันนี้หมายถึงเฉพาะแต่ โภพอภารมหรือว่าอารมณ์อื่นด้วยอันนี้เรายกเป็นตัวอย่างหนึ่งทวารกลังอยู่โพารมเจนาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาปลูกอเฉพาะแต่โ ภ, าภพภาภรม์อันนี้คือในในทั้งหมดน ะ, นะทั้งหมดเนี่ยกายโภทภกายวิญญาณภาษเวทนาเนี่ยเท่ากับแสดงหมดแล้วค้นจากตัวใดตัวใดในในทั้งหมดเหล่านี้แต่ทั่วๆไปเนี่ยท่านจะนิยมเนี่ยที่กายคือหมายถึงอาการ32เลยนะ แต่โดยทั่วไปจะแสดงมากกว่าเพื่อนเพราะสัตว์ในโลกตันหาจริตมากกว่าจริตอื่นนี่นะนี่ไอการค้นเนี่ยสูตรเขามีง่ายๆ ง, ง่ายคือได้ยินบ่อยนะไม่ใช่ง่ายเพราะเห็นง่ายกายต่อด้วยอะไรกายนี่มันไม่ให้มันมีเหตุไหมกายกายยาสมุทัยอสังคตาก็คืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอภวตตะ อะ น, นิมิตะเนี่ยพวกนียเป็นชื่อของเขาอะต้องค้นให้เจออันนี้ให้ได้แต่ไม่ใช่ไปนค้นที่อื่นนะต้องค้นในกายนั่นแหละออหโอ๊ขาดอีกเยอะอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างาาาสุญญตะฮะ จริงไอ้ตรงอนิมิตะอัปวัตต์อนิมิตะอายุอนายุหานะอาคตอิอนณิพติพวกนี้อชาชราอาชาติเป็นต้นน่มีมีศัพท์ที่ใช้แทนสิ่งเราเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเกือบร้อยในพระไตรปิฎกเพื่อจะใช้แทนอนสังขตาธาตุเนี่ยนะในอนสังขตสังยุทธ์มี30สิกว่าชื่อเนี่ยนะแล้วก็ที่อื่นอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อให้เห็นว่าก็ค้นจากสิ่งเหาเนี่ย มันมีผู้ที่ปฏิบัติโดยที่เรียกว่าค้นหานิพานโดยหาหาพ้นสิ่งเหล่านี้ก็พยายามจะจินตนาการโลกของนิพานขึ้นมาว่ามันคืออะไรบางท่านก็ประกาศในแง่ของสีบ้างใช่หมว่ามันมันต้องสีแบบนั้นนะบางคนก็ประกาศในแง่มีว่ามันกลิ่นแบบนั้นมันก็ประกาศว่ามันเป็นรถบางพวกก็ประกาศว่าเป็นโพธาะ การประกาศแบบนี้เท่ากับประกาศอะไรรู้ไหมประกาศว่ายังติดมหาพูดอีกอยู่ดีสแสวงหานิพานโดยการเข้าไปต้องกค้นหามหาพูดอันใดอันหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ใช่อสังขตะธาตุเป็นการถ่ายถอนมหาพูดจริงๆเบื้องหลังของกายก็คือมหาพูดโพธพารมก็คือมหาพูดกายยวิญญาณผัสสะเวทนามันก็อาศัยมหาพูดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเขาจึงเปรียบเทียบอุปมาว่า กายนี้เหมือนกับกลองกายวิญญาณหรือเออโพธพารมณ์เหมือนกับไม้ตีกลอ ง, ลองวิญญาณภาษาเวทนาเหมือนกับเสียงกลองนันะนะก็ต้องเรียกว่าค้นในพวกเนี้ยคนไปคนมาเครียกว่าเอามาบี้จนจนมันไม่มีอะไรพอที่จะหยิบเอาสักอันหนึ่งแล้วก็มันหลุดไปเองเลยนะโดยที่มีอสังขต ธ, ธ, ธาตุเป็นอารมณ์แทนแต่ว่ากับทุกอารมณ์นะีไม่ใช่ว่าโอ้อันนี้ไม่เอาแล้วอันใหม่ก็ยังดีอยู่นะ ก็ต้องสลัดคืนจากสังคตะธรรมทุกชนิดจึงจะเข้าถึงอสังคตะธรรมนั่นนะแต่ทีนี้ว่าวิธีพิจารณาเพื่อจะเบือนหน่ายเขาบอกว่าเราติดอันไหนมากให้เอาอันนั้นมาทําปริญญาเขาก็าถ้าจะละกิเลสเนี่ยให้ไปละในสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมอันนั้นละไม่ยากแต่ว่าเราติดที่ใดที่สุดให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาทําปริญญาแต่เข้าฌานนะ ถ้าจะละกิเลสต้องเอาชานมาพิจารณาเพราะเราติดชานมากถ้าได้ชานติดข้องในชานมากเพราะฉะนั้นถ้ามีติดในสิ่งใดวัตถุใดเอาวัตถุนั้นมาทําปริญญาก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ะน ะ, ะโดยศัพท์ของปริญญาสามทวนอีกครั้งว่ายาตะปริญญาคือทําความรู้จักเป็นการทําปริญญาในขั้นรู้จักรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรเพราะถามมาเอ๊ะเหมือนกับว่าเราไม่เคยรู้จักใช่เราไม่ไม่รู้จักตามเป็นจริง ถ้ารู้จักกายตามเป็นจริงเนี่ยกายนี่คืออะไรกุอาญะใช่ไหมที่เกิดของสิ่งที่น่าเกลียดถามว่าเราเห็นอย่างนั้นไหมล่ะไอ้มันก็ยังดูดีใช่ไหมส่องกระจกเมื่อเช้าก็ไม่ได้นึกรังเกียจอะไรเท่าไหร่ไม่ได้นึกว่ามันกุอาญะอะไรเลยใช่ผู้บรรจุเป็นไงเนี่ไม่ค่อยกุอาญะเลยนะไม่ได้เป็นเกิดที่เกิดของสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหลายเนยนะถ้าโพธิภพล่ะ เรารู้ตามเป็นจริงว่าอันนี้อสอรพิษดีๆนี่เองที่เรากําลังเลี้ยงมันอยู่ทีนี้น่าเกลียดด้วยอสารพิษด้วยผลออกมาคือเวทภาษาเวทนาเหล่านี้ภาษะเวทนาจึงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจขนาดไหน น, น, นะนั่นก็ไม่น่าปรารถนาถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นะกาย เหมือนกับท้องโพธพารมเนี่ยเหมือนกับลมที่มันอยู่ในท้องยพอตีท้องออกมานะเสียงเสียงเสียงตีท้องมันดังยังไงสามเสียงนั้นน่าปรารถนาไหมท้องอื่นนะตบท้องดูนะรู้เลยจึงต้องเอามาทำปริญญาในทุกทวาร น, นะตัวที่มาทำปริญญาในในสิ่งเหล่านี้เป็นมโน มโนธรรมะมโนวิญญาณนะตีตัวองค์ธรรมที่มาทำปริญญาคือมโนวิญญาณพอในชั้นสูงไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาถ้าไม่มีติดข้องแม้แต่อันเดียวในอายตนะทั้งสิบ ท, ที่กล่าวไปแล้วเขาจะเอามโนวิญญาณมาเริ่มทำปริญญาเริ่มแบ่งมโนวิญญาณอย่างน้อยที่สุดสองกลุ่มทันทีกลุ่มปหาะกับปหายกะ อหารก็คือกลุ่มสมุทัยทั้งหลายปหายากาศก็คือกลุ่มมัคสมุทัยก็แบ่งออกเป็นกลุ่มเช่นนิวรสังโยชน์เห็นไหมกลุ่มมัค ก, ก็แบ่งเป็นกลุศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาตรงนี้เน้นพิเศษคือปัญญาเ น, นี่ยนะแล้วก็แยกมโนวิญญาณเป็นอย่างน้อยที่สุดสองกลุ่มก่อนอนะ ก็ต้องกลุ่มที่ต้องละปะหธนเนี่ยต้องละปะหายากะเนี่ยเอาไว้ละคุณธรรมที่เอาไว้ละถ้าไม่มีคุณธรรมคือมักที่เป็นไตรศิขามันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปละอะไรเนี่ยนะก็พันธุ์ที่เหลือก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาามากขึ้นเนี่ยนะพอทำปริญญาในส่วนเหล่านี้ก็ตั้งอัธยาศัยเลยพอกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยตั้งเลยว่าอาศัยวิเวกนะจุดประสงค์ต้องการอุปทิวิเวกอันนี้ตั้งไว้ก่อนเลยนะ อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะต้องต้องการหรือว่ามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าไม่ต้องการยึดถือสังคตะธรรมทุกชนิดแล้วก็นิโรธะต้องการดับสังคตะธรรมทุกอย่างไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการสร้างใหม่แล้วก็ปฏินิสัะเนี่ยนะต้องการบริจาคสังขารทุกชนิดเนี่ยนะบอกไม่เอาแล้วเหมนน น, นี้ก็เป็นธรรมะที่จะต้องเขาเรียกว่าเมื่อทำปริญญาในอายตนะทั้ง10บคู่ที่ทั้งห้าคู่นะตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้ น, นรสกายผพวตาพาดีก็ที่เหลือก็ภารกิจต้องเอามโนวิญญาณนี่มาทำปริญญาแล้วก็มาแยกกลุ่มเพราะนั้นในกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มธรรมานุปัสนาเป็นหลักเนี่ย มนโนวิญญาณในในด้านของปัาหาที่เป็นของพิไทยอันเกี่ยวเนื่องกับนิวรณ์กับสังโยชน์มันก็จะเนื่องมาจากทางธาตุวานอยู่ดีก็มนโนวิญญาณนะมนาไหลจากปัญจาตวานน ะ, ะนะโดยทวานนะแล้วโดยอารมณ์ของพวกเราก็ปัญจอารมณ์ เนี่ยนมันก็มันก็ไหลามาอย่างนี้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพื้นฐานถ้าไม่ทําปริญญาในพวกนี้นี้ดีตั้งแต่แรกนะอันนี้มันสับสนใช่ดังในเมื่อที่จะมาทำปริญญามาโนปิญญาเนี่ยก่อนที่จะมามทํามโนปิญญาก็ต้องทำจังปฏตวานก่อนนั่นแหละที่เรียกว่าอันนี้เป็นอายตนะภายในห้าใช่ไหมอันนี้อายตนะภายนอกห้า ชัดในพวกนี้พิจารณาอย่างดีมาแล้วพอชัดแล้วก็ดีอย่างมาแล้วเนี่ยมนโนวิญญาณมาต้งตามไปด้วยเลยก็อ่ะยังไงอ่ะมนโนวิญญาณโดยปกติท่านจะแสดงไว้เป็นอันดับสุดท้ายเนี่ยนะเพราะถ้าแรกๆ ก, กไม่ค่อยดีมานะมาพูดอันนี้แล้วมันงงไปหมดแต่ว่าแค่ข้ามดีมาหลาปั๊บอันนี้อันนี้คือยังไงอ่ะ ถ้าค้นไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นนักค้นคว้าอยู่แล้วเนี่ยพอค้นทวารห้าเสร็จมันก็ต้องมาเอาอันนี้แหละนะพะปกติเนี่ยมันเหมือนกับอะไรถ้าใครเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านมาหลายๆเล่มนะเล่มไหนที่เราไม่เคยจับเราสนใจเลยนะจะเอาเล่มนั้นต่อไปเนี่ยคือเล่มที่เรายังไม่อ่านเรายังไม่ได้จับใช่ไหมก็ตั้งเป้าหมายสนใจในสิ่งที่เราไม่รู้ต่อไปนะแต่ว่าอันนี้ง่ายที่สุดยากที่สุดก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยรับพริญญา ก็ก็ไม่มีอะไระนะจะมีอะไรนอกจากอาวิชาเราในแง่ธรรมะสิบคือธรรมะที่ควรทำปริญญาเนี่ยนะอายตนะสิบก็คงผ่านนะนะเพราะว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็เรียนอายตนะอยู่แล้วทุกวันเนี่ยนะเรียนมาหลายเดือนลนะ แต่ถ้าในธรรมานุปัสสนาเนี่ยอธิบายอายตนาภายในเหมือนอะไรเหมือนโคตัวหนึ่งอายตนาภายนอกเหมือนโคอีกตัวหนึ่งสังโยชน์ก็เหมือนกับเชือกที่มันผูกโคผูกโคไว้ด้วยกันเนี่ยนะจิงโคโคกับอีกโคหนึ่งโคเขาไม่ได้ผูกโคดำโคดำไม่ได้ผูกโคเขาแต่เชือกอะมันตัวผูกเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดก็ตัดเชือก คือละสังโยชน์คือความเพลิดเพลินละฉันราคะในอายตนะทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะถ้าละตันหาได้อย่างเดียวอะย่างอื่นละหมดไม่ต้องห่วงขอให้ตั้งละตันหาไว้อันเดียวเอนี่ยอันอื่นละไม่ยากแต่ที่มันยากคือตันหาเนี่ยมันมันจะเอาอ่ะไอ้ตรงนี้แหละมันไม่รู้จะเป็นละยังไงพอมันจะเอาแล้วจึงเกิดโทสะใช่ไหมมันไม่ได้อย่างจะเอาอ่ะมันเลยโทสะ มันถ้าจะขุดมูลของโทสะก็ต้องขุดที่ตันห า, านะถ้าเลิกพอใจมันก็เลิกโกรธได้ใช่ไหม <S 2> <S 2> เขาจึงเล่าเปรียบเทียในในพระไตรปิฎกเนี่ยในวิสุทธิมาร์เปรียบเทียบถึงวิปัสสนาในระดับสูงเนี่ยนะพูดถึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดนามรูปเหมือนกับอะไรเหมือนกับแบบติดข้องในภรรยาที่เขารักมากเลยนะทีนี้พอพัญญาเขาก็ไม่ไม่ซื่อสนะัตว์นะไม่ซื่อสัตว์มันก็ ไอ้เจ้าสามีนี่ก็กรกเครียดตลอดอะนะไม่ค่อยสบายใจเดือดร้อนตลอดตอนหลังเขาบอกเลิกล้วก็จะไปไหนก็ไปครับ น, นี้ไปทําอะไรก็ไม่เดือดร้อนนะใช่ไหมคือถ้าเลิกเด็ดขาดจริงๆอ่ะนะมันก็ไม่มีปัญหาถ้าผู้ที่ตัดฉันนราคะในขันห้าได้ขันห้ามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปนั่นก็ดูแลเท่าที่จะดูแลได้เท่านั้นแหละฉันไม่ ไ, ไปเดือดร้อนกับเขาหรอกนะนะก็เลยเ ร, รียกว่าผ้าหันนี่รอการรอการอย่างเดียวมั้นนะ่ะ ความโกรธเนี่ยก็เป็นความพอใจนะในขณะที่โกรธเนี่ยพอใจพอใจไม่มีฉ <ใจ S 1> ันทะ ม, มันมีฉันทะเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราบอกกับตัวเรานะต้องโกรธอ่ะมันได้สมควรแก่เหตุผลต้องโกรธบางทีใจนึงบอกอยาจะโกรธได้แล้วไม่ได้ต้องโกรธมัอมนอ่ะมันมีฉันทะนะโทสะนี่มีฉันทะเป็นอธิบดี บางครั้งเนี่ยโทสะเนี่ยถ้าถ้าโกรธบางอย่างที่รุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มัจะมีฉันท่าเป็นอาทิบดีมันเหมือนกับไฟเนี่ยนะไฟเวลามันไหม้เนี่ยถ้าเชื้อมันดีมันติดแรงใช่ไหมมันติดแรงเนี่ยแต่ว่ามันทําลายเชื้อโทสะก็เหมือนกันในขณะโทสะมันแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ว่าอารมณ์มันรังเกียจมากขึ้นมันต่อต้านมากขึ้นมันเผาอารมณ์แต่มันยินดีที่มันได้เผานะนะมีความสุขที่ลุกโชนเหมือนกับเผาน้ํามัน โทสะนี่เป็นลักษณะนั้นแต่เมื่อไหรที่ไฟอันนั้นมันมอดนะนะเอาความเสียหายมาดูมันไม่ได้ ด, ดีจริงนี่ยงั้นไม่น่าเลยนะนยนะจะรู้ตัวต่อเมื่อมันดับไฟแล้วนะตอนนี้ไฟมันลุกโชนอยู่ไม่มีทางเนี่ยนะโอ้โหมันมีความสุขมากสะใจสมใจเต็มที่จะหมดอะไรก็ช่างมันเถอะพอโน้นพอเงียบสงดเย็นเย็นเย็นอกเย็นใจและนะไม่น่าเลยเนหะมือ น, นอะไรพวกโทสะเนี่ยนะมันเหมือนกับพวกนักพ น, นนะันแหละ นับพนันเวลาที่มันเล่นเสียมากๆนะมันจะไม่เสียดายเลยนะพอมันเสียไประดับหนึ่งแล้วที่เหลือน่ที่มีอยู่เท่าไหร่มันจะเล่นจนหมดตัวพอหมดตัวแล้วเขาเขาเ้าเรียกว่าเขาไล่ออกจากบ่อนลนะไปอยู่ในที่ซึมๆสักที่หนึ่งบอกไม่น่าเลยพว <c oughs> กลุ่มโทสะจะลักษณะเดียวกันทีนี้เมื่อเราทำปริญญาเนี่ยนะในอายะตะนะทั้งสิบ ที่กล่าวมาแล้วดีเนี่ยผลออกมาเนี่ยนะปะหาปะหานะคิดอะไรก็งั้นนะธรรมะที่ควรละเนี่ยจะต้องจะต้องชัดเจนเหมือนกันเถอะถ้าทําปริญญาในอายตนะสิบมันก็ต้องละสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่าทําปริญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่ชื่อว่าได้กําหนดรอบรู้ในอายตนะสิบเพราะฉะนั้น ธรรมะสิบที่ควรละคือมิชะตะสิบอันนี้เป็นผลที่ที่เกิดจากการทำปริญญาหรือกำหนดรอบรู้ธรรมะกลุ่มก่อนอย่างข้อแรกนะมิชาทิฐิเนี่ยจะต้องละมิชาทิฐินี้ถ้าว่าย่อๆมีสองอย่างเห็นไหมคืออุเฉทิฐิกับสัสตทิถินี่นะอุเฉทิฐิสัสตตทิฐิ ถามว่าอุดเฉดที่ถี่กับสัสตตตีิถี่นี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยนสสะสัสตตตสัตตตนี้โดยทั่วๆไปแปลว่ามันมั่นคงอ่ะนะมันมันมันมั่นคงมันที่เรามาแปลว่าเที่ยงอ่ะนะแปลว่ามันมั่นคงมันยั่งยืน อ, นน อ, อะไรง้เถอะควรจะแปลว่ายั่งยืนก็ได้ ส่วนอุดเฉดเชธาตัวนี้แปลว่าขาดนะก็คือขาดศูนย์ถามว่าพวกนี้มาจากไหนมาจากลัทธิอัตตาหรืออัตตานุทิฏฐิอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัตตสัญญาสัตตสัญญาเนี่ยนะ ไม่ใช่เป็นตัดตั ด, ต, ดตัดปิยมนาปะตัดปิยมนาปะไปตัดสุขขิตา์ไปตัดอะไรทุกขิตาสไปตัดมัชชตะคือตัดตัวอารมณ์ที่ตั้งแห่งพรหมวิหารออกไปซส พวกนี้จะเป็นอารมณ์ของพรหมวิหารพรหมวิหารต้องเป็นกุศลใช่ไหมพรหมวิหารต้องจิตเป็นกุศลแล้วไปมีไอ้พวกนี้มีบัญญัติเป็นอารมณ์มีสัตว์เป็นอารมณ์นี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือตัดอารมณ์ที่เป็นของศีลออกไปเช่นอารมณ์ที่เป็นคุณของศีล น, นะว่านี่เป็นพี่เป็น น้องเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นอะไรทั้งหลายแหละที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งหีริโอตาปะเนี่ยนะคืออารมณ์ที่ตั้งแห่งฮีริโอตาปะศีลก็คือกลุ่มฮีริกับโอตาปะพันตัวหีริโอตปะก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานของศีลตัวเป็นที่น่าพอใจที่ เขากำลังมีความสุขอยู่เขาทุกข์หรือปานกลางอันนี้ก็เป็นกลุ่มพรหมวิหารตัดสภาพจิตเหล่านี้ออกไปอันนี้ เ, เท่ากับกุศลใช่ไหมขณะกุศลเหล่านี้ไม่ใช่อัตตานุทิพิไม่ใช่อัตตาเพราะฉะนั้นอันนี้รู้กันว่าอัตตาไม่ใช่กุศลแต่สัตตสัญญาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยหมายถึงโลภะจิต โลภะจิต ท, ที่บวกกับทิฏฐิคตะสัมปยุตเนี่ยนะประกอบกับทิฏฐิประกอบกับทิฏฐิมันสําคัญว่าเป็นอัตตาจริงๆเข้าถามว่าพื้นฐานอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากไม่ได้สดับปัจพนนะคือไม่ได้สดับไม่ได้สดับธรรมะของภาริยะที่มาแยกวันนี้คือ อันนะเบื้องหลังของที่ยึดถือว่าอัตาเนี่ยเบื้องหลังของเขาคืออะไรที่เราไปยึดว่าอัตานียก็ยึดย่อๆเลยก็ยึดรูปกับยึดนามย่อๆเลยนะมีสองอย่างคือยึดรูปกับยึดน้ำรูปก็มาค่อยมาแบ่งว่ายึดส่วนไหนของร่างกายอีกทีนึงนะรูปถ้าเป็นพวกพวกชาวบ้านพื้นฐานเลยนี่ยึดทั้งร่างกายใช่ไหมถ้าพวกวิจัยร่างกายมากก็จะเริ่มแยกยึด อันไหนทั่วๆไปนี้เขายึดอะไรเป็นอัตราหมอยึดรูปอันน่ะเช่นอันนะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเอกโบราณหน่อยก็ยึดหัวใจโบราณนะเขายึดตัวหัวใจเป็นเป็นรูปสมัยใหม่หน่อยก็สมองพวกนี้ยึดรูปเป็นอัตราพวกยึดนามยึดนามก็แบ่งบางคนก็ยึดเอาเวทนาเวายึดความรู้สึกใช่ไหม บางพื่ยึดสัญญาบางพวกยึดเจตนาบางพวกยึดวิญญาณว่าเป็นอัตตานะแล้วแต่ว่ามันจะไปยึดอะไรอะ่ะมันยึดว่ามันเป็นอัตตาจริงๆอ่ะพื้นฐานเขาไม่เคยแยกแยะอะไรเลยทันที่พื้นฐานเขาไม่ได้สดับไม่ได้ทําปริญญาจึงเกิดทิฐิขึ้นตอนทิถิออกมาเนี่ยผลของเขาคือนเนี่ยสรุปว่าเมื่อยึดแบบนั้นแล้วอะตกลงแล้วตายแล้วเกิดอีกหรือศูนย์ มันจะคุยกันเรื่องนี้แหละเขาสําคัญว่าเป็นอัตตาก่อนเป็นสัตว์จริงๆเลยแห ล, ละเสร็จแล้วสัตว์เนี่มันตายอีกหรือมันสูญเราจะตอบว่ายังไงที่มาก็บอกว่าเอออัตตาเนี่ยคิดว่าอันนี้ตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกหรือเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่บางอย่างเกิดบางอย่างไม่เกิดเพรา ะ, ะพระองไม่ตอบปัญหาประเภทนี้ที่ไม่ตอบเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจผิด เนี่ยนะเขาเข้าใจผิดเนี่ยนมันเหมือนกับอะไรอ่ะเขาอย่างอย่างสมมตินะส ม, มัยเนี้อ่ะมันมีรถขุดคลองอ่ะนะรถพวกรถไมโครโนเนี่ยที่เขาขุดอ่ะถ้าไปขุดตามม้านนอกโบราณเนี่ยพวกคนสูงอายุหน่อยนะเขาจะโอ้ยเขาสงสารมากเห็นไหมมันร้องขวนคลางเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเขาว่างั้นสงสารรถม้านดูสิมันร้องดังมากเลยอ่ะสงสารรถมันเห็นยหมเออรถ ตัวนี้เนี่ยตายแล้วมันจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกถ้าคำทั้งคําถามแบบนี้ขึ้นมานะนี่นะถ้าใช้แรงงานจนตายอะ่ะนะใช้แรงงานรถแมคโครจนตายแล้วรถมกแมกโครตายแล้วมันเกิดอีกหรือมันไม่เกิดอีกคุณไปลินรถแมคโครมันจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกโอ้ย <c oughs> อย่าไปตอบกูเลยบอกว่าอย่าไปตอบเลยนะเพราะมันคิดแบบคนคนอะไรคนไม่รู้อะ่ะไปสําคัญว่ารถอันนั้นเป็น เป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นสัตว์แล้วก็ถาวารถเนี่ยมันจะเกิดอีกหรือมันไม่เกิดอีกถ้าคันนี้มันตายไปอ่ะมันจะไปคลอดเป็นคันใหม่หรือไม่คลอดเราพระพร ะ, พระองค์เนี่ยจะจึงเรียกว่าเป็นปัญหาพยากรณ์ที่ไม่ตอบโดยส่วนเดีย ว, วเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกนะก็บอกไอ้สัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกพระองค์บอกไม่ตอบของเรามันน่าจะตอบใช่ไหมก็น่าจะตอบเพิ่รู้แล้วรู้รอดวตายว่าเกิดหรือไม่เกิด ถ้ารูปหนึ่งก็บอกว่าถ้าพราะองค์ไม่ตอบนะเขาจะสึกเลยว่าตอบให้มันเป็นอะไรนะก็เหมือนกับตอบอยา่างทามถามเมื่อกี้ว่ารถแมคโครตัวคันนี้ถ้ามันตายแล้วมันจะเกิดอีกหรือมันไม่เกิดอีกเนี่ยนะามันก็มันมีองค์ประกอบของมันเนี่ยนะชั้นใดก็ดีอัตราโดยสภาวะจริงๆแล้วไม่มีอยู่เมื่อแยกออกไปก็คือขันห้า อนนะก็ประชุมกันเป็นขันเป็นอะไยตนะที่เราเรียกว่าวัตฏะสงสารอะไรทั้งหลายเลยเป็นไปตามปัจจัยของเขาอ่ะแต่ทีนี้เมื่อไปสาคัญว่าอัตตาเขา้ามันก็เลยเป็นที่ตั้งของสัสจะทิฏฐิกับอุเฉท ท, ทิฏฐิพื้นฐานของความคิดอัตตานี่นะมันมาจากความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยสุกเนี่ยอย่างหนึ่งพื้นฐานเข้าใจว่าที่ยงบ้าง พื้นฐานเข้าใจว่างามบ้างพวกนี้เป็นเป็นฐานอย่างดีของอัตตานุทิฏฐิถ้าเข้าไปสําคัญสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นทุกข์นะตัวเธอใช่ไหมเป็นทุกข์จะคิดไหมไอ้ตัวทุกข์มันจะไม่เคยยอมรับว่าเป็นตัวเองสามตัวเกิดดับเกิดดับที่มันไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนใช่ไหมคือตัวเธอไม่ใช่และอสุภะใช่ไหมไอ้ตัวซากศพอันนั้นจะไม่เป็นเรา ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพื้นฐานนะอัตราโน้ต ท, ที่นี่เกิดจากสามตัวนี้คือความเข้าใจว่าสุขเข้าใจว่าเที่ยงเข้าใจว่า ง, งามเป็นฐานของอัตาราทีนี้พราะอัตราก็มาคิดอีกว่าเที่ยงหรือหรือศูนย์เนี่ยนะเที่ยงหรือศูนย์